วิธีแต่งตั้งและกรร ม, มวาจาภิกษุทั้งหลายภิกษุณีสมพึงแต่งตั้งอย่างนี้ในเบื้องต้นต้องขอร้องภิกษุณีจากนั้นภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถ พึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าแม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าสงพร้อมแล้วพึงแต่งตั้งภิกษุณีชื่อนี้ให้เป็นเพื่อนของภิกษุณีผู้มีชื่อนี้นี่เป็นยติแม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพเจ้า สงแต่งตั้งภิกษุณีชื่อนี้ให้เป็นเพื่อนของภิกษุณีผู้มีชื่อนี้แม่เจ้ารูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งภิกษุณีชื่อนี้ให้เป็นเพื่อนของภิกษุณีที่มีชื่อนี้แม่เจ้ารูปนั้นพึงนิ่งแม่เจ้ารูปใดไม่เห็นด้วยแม่เจ้ารูปนั้นพึงทักท้วงภิกษุณีชื่อนี้ สงแต่งตั้งให้เป็นเพื่อนของภิกษุณีผู้มีชื่อนี้แล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้